ฟังเรืพูดต้งเลกันนา่งไปทำไม่ให้เปจำเอาสิ่งที่พูดก็พูดเรื่องของชีวิตเรานี่แหละชีวิตเราก็มีกายมีใจมีวัตถุสาการต่างๆ ท, ท, ที่เกิดขึ้นกับกายกับใจ ถ้าจดศึกษาเรื่องชีวิตก็มีสิติมีสัมปชัญยะเป็นผู้เข้าไปดูไปเล่าไปเห็นเหมือนกับอ่านตำลับตำลาร่างกายอ่าใจ <c oughs> เ, เ, เ, เป็นตำลาสติเป็นนักศึกษาอ่านอยู่เลย เรกว่าภาวนารู้อยู่เรื่อยๆเหมือนเราท่องจํารากายไปท่องไปจำเอาของรู้สึกตัวเอิตใจไปจำเอาสองขาดเอากับของรู้สึกตัวเหมือนปากของตาที่เราศึกษาเราได้ได้เห็นได้รู้ได้เห็น มันก็บันทึกไว้เป็นความจำถึงผิดถึงถูกทำบัตรถูกอันไหนที่มันผิดมันผูกการที่เราเรียนรู้แล้วมันเป็นวามจำของภายนอกก็ใช่เรื่องของชีวิตถ้ามีสติได้พบเห็นมีมลองรู้ ตัวไปในตาในใจแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นกับตายกับายที่ไม่ใช่ผมรู้สึดตัวมาก็จะรู้มันไม่ถูกต้องใ้สัมผัสกับผมรู้สึดตัวเมื่อไปสัมผัสกับบันอื่นมันไม่ถูกต้องก็รู้จกทิงผิดเชิงถูกได้ละสิ่งที่ผิดได้ทำสิ่งที่ถูก แม่สิ่งไดที่มันผิดเกิดขึ้นขนาที่เรามีสตินั้นมันก็เป็นปฏิบัติไปเองมันเปลี่ยนไปเเมื่อตา่เราเด็กเราเดินไปไหนเห็นงูมก็ต้องหลบหรีกงูเห็นอะไรมันก็ไม่ให้ป็นทุกข์ถึโทษต่อกก่อนชีวิตชีวิตของเราที่มันมีสติเป็นดวงตามีสติเป็นเจ้าของดูแลมาจากพกเห็นมันจะปลอดภัย มันจะปลอดภัยเห็นผลเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจให้มีตรงไหนหลีล่ล้มเจอข้งแรก็เจอลจหลงเจอหลงเห็นหลงเป็นคู่เป็นความรูปมันก็มีหลงเป็นตน้นเหตยเป็นวิรามันดาของอกุศลมันก็รู้จัทกทําอกุศลให้เป็นกุศลได้ทังที ได้เปลี่ยนความร้ายเป็นความดีทันทีได้เปลี่ยนความผิดเป็นความถูกทันทีทันทีสดสดสดสดสองฝักในเท้าเดียวกันได้สอนได้หัดไป้ฝึกตนหนตนเองมันก็จะทาเป็นทีแรกก็หัดเพื่อหัดเป็นแล้วมัต้องหัดแตแลมันหลงมันลู้หัดพอไปมันจะลู้เอง มัตหัดนั้นเป็นแล้วเป็นไปเองดำเนินไปเองมีความละกังมีการละพรมทั่วมีการทําำดีมีการกินบริจูดไปเองเป็นฉิงเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปเองนี่คือหลักสร้างคุณธรรหลักปฏิบัติเพียนรู้เรื่องชีวิตของเรา มันไม่เป็นอะไรถ้ามันจบแล้วมันไม่เป็นอะไรแตกับสิ่งที่เกิดขึ้นเก่ยวกับกากับจไม่ได้ชีวิตตัวล้วเือนี้เราก็ได้อายอุุนกับความตัดสูของพระพุทธเจ้าในสองบาทจะหนอยังสดอยู่คุณทั้งยังสถ ด, ส ด, สดรอดรอไม่ลาสมัยไม่เป็นอีติไม่เป็น อะไรทั้งสิ้งสมภาตัวนั้นมเยี่ยมชื่ น, นใจเมื่อองค์ทมจังารในคืนวันเพ็ญเดือนหกเราได้เอาสิ่ ง, งที่พระองค์ทอมมาสองาั ด, ดูมันมันลึกซึ่งวาพระบาโรคดึนจ ง, ง, งคมนั่งอยู่แลอนีิงข้องตลอดล่วคน แล้วก็สองตัดโตแล้วสองตัดคุณเทองคุณเนทองนี่มันเป็นใหม่มันใหม่มันสดมีกันได้สองตัดไดทุกชีวิตไม่ล่าสมัยทำสมัยอยู่สมองทาสมัยอ ย, ยู่สมอเม่เราได้กระทำล ง, งไปเมื่อเราการได้กระทำ พระพเจ้าก็ตัดสูแล้วสตตามตามลอดทวลาในวันนี้ไังอยู่เลยโพธิมันลกทุกทวนปฏิจจสมุปบาทมาอย่างไรไปอย่างไร มาถึงได้ยังไงทุทวนเหมือนกับคนโดยนถ่าที่ถึงกุดหมายปลาท่าผ่านอะไรตรงไหนบ้างทุกคนที่ว่าจึงที่เกิดจึงที่ตกมันสุดได้ไงมันก่อนที่มาถึงจุดนี้มันเป็นยังไงมามันพ้นเลยมา ก็ทบทวนดูสอยเกิดสอยตกถอยกับเอา น, น้าถอยกลับทำเล่นเล่นทิ่งเล่นเล่นทำเล่ น, เ ล, น, เ, ลนเล่นกขนัดไหนหว่ามันเคยแล้วกับตกสมาี่เก่าเหมือนเราทิ้งเหมืนอเนเราเทน้ำลงห่าขาที่เป็นเท้า น้ำับอนท่น้ำลก็ไหลลงไปตามความเดิมที่นี่ก็ไหลลงแตกสักสักสองต่อไปลองเที่ยวก่อนการในทางการเป็นทางตเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทดังที่เราได้ตรัสเอาผู้ใเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาพผู้ใดเห็นเราสถาพจู้น <laughs> ั้นเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธามผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจุปบาทคู้นั้นช่อเห็นธรรมปฏิจจสมุปบาทคาืออะไรเราองรทบทวบนวันนี้อีกเจ็ดวันมันลึกซึ่งมากทบทวนยิ่งใหญ่ไม่มีใครเคยรู้เกี่อวกันเรื่งนี้ ไอ้เกิดสายดกันเกิดชาติอะไรมันดอกมันดอกมาจาตไหนมันเกเดบ่ออวิชชาก็ไอ้เกิดสังขารเหตุสายเกิดไปสังขารเกิดนามรูปนามรูเปเกิดอายตนาอายตนาเกิดภัจจ์ภัจจ์เกิดไปข น, นา เอ้นะเกิดตังหาจัณหาเกิดอุปาทานอุปาทานเกิ ด, กก ด, กกดพวกขเกิดชาติพวกชาติก็ทำให้เฉลาโมระโูกขาประเดวทุกข์เป็นที่มายของสายเกิดมันไปอย่างี้สายดบก็เพราะมีวิชาสังขารดับวิญญาณดับอายตนัะดัภจั่าับเบชนาดับ ตัณหาดับอุปทานดับภกชาติชลาภณะดับหายดับมาเกิดที่เดียวดับที่เดียวตาวิชาเป็นภาษาธรรโวตคืออะไรคือความหลงคือความรู้ความหลงเป็นวิชาความรู้สึกกอดเป็นวิชาลองดู ท, งทื้อสองปัจจุบันเกิดมันตอบอย่างไร เราก็จะสัมผัสกับธรรมโยเกควันลำดับปฏิจจสมุปบาทจำข้องเที่ยวจทํานึกสำนานให้เป็นอื่นเป็นไปไม่ได้จะให้ทุกเป็นทุกเป็นไปไม่ได้จะให้ความไม่เที่ยงให้เป็นเที่ยงเป็นไปไม่ได้จะให้ทุกเป็นสุกเป็นไปไม่ได สิงบางสิ่งกำหนดรูปนี่คือปฏิจจสมุปบาทส่เี่ยไม่ใช่ตัวเตห็นมช่เป็นอิชาฤิชาก็เห็นเห็นมันทาแล้วเห็นมัน็เป็นเราเห็นูหนูมก็ไม่ต้งูกับ มันก็ดีไปแต่เห็นมันป็หลุดพ้นแล้วภาวะที่เดิมสติที่ไปเห็นอาการต่างๆที่มัเกิดขึ้นกระจายไปเจอเราเนีเ่ย ก, ก็ทุกทวนจะคล้องแคล่วไม่มีทางอื่นมีทางอื่นเด็ดขาดมีเรื่องนี้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงจะเพิ่มอีกไป่ได้จะตัดกงไม่ได้ เรียกว่าพระธรรมพระพุทนพระเจ้าตัดไว้ได้มา พ, อม พ, พ้อมกักับการตัดสู่เติดพ้องกันทำมาทำมาแกการเป็นวิจารวิชาทำไมเห็นพระธรรมคู่กันปดิอาทิตย์สองก็ลักษณะจงกลมโ้ยจงกรมอยู่ข้างทีมาโภยทางตอนเหนือในดอกบัว สิบเก้าต่อวันเก้าที่ละเก้ 9, าเจอข้างศรีมหาโพนะ่ะเ็บานอีกเราจาางงนะนนารัตนจังกรมไปอนิมถตาเจดีทางพิศเหนือของศรีมหาโพธี์ยืนแห้งต้นโพอย่าไม่ไลิบตา ดูวันดาลที่การแต่จะดโต้นชีมางโผอย่างไม่อระติกตาเพราะการทำชิ้นไหนที่มันสาเร็จมันก็ย่อผ้าโูงจอยมันผ้าผูมจอยมันเป็นการติดมันเป็นการที่มันเป็นสัญญาไใช่สัญญาแบบสงคัญสัญญาแบบลึกๆที่มันเป็นชีวิตมันลึกซึ้ง ม้องสีมะพร้าวอย่างน้อย ก, ก็เจ็ดตาสิบเจดนอกจากนั้พเราชักพันธุทลัยสีในรสมัยตั้งสีมะพร้าวตามตอนเหนือจังตลอกเขียงเหนือสิบเจ็ดบาทนอกจากนั้วเราปล่อยกำเนินไปนน่น ที่เก่าที่อาชฉปาลิโค่ที่ฉันเข้านัสชาราโาลิโคต้นเก่าไปยืนนั่งไปเปรียบเทียบบุคคลสีเหล่าทำที่เราได้ตัดสู้เนี่ยคือแท็กที่แรกจะโทษก็ผายไว้อยู่ที่อาทิตย์ที่ห้าไปอยู่ที่หน้าลำดับบุคคลสีเหล่า เราเริ่เหมือนกับปัวพ้นน้ำแล้วรอแสงอาทิตพอได้รับแสงอาทิตย์ก็ผลบอลจนถึงนี่คือคนบ่มเภศหนึ่งที่ว่าคติต่้งอยู่บัวอีกเก่าที่สองอีกสองหวันจากพ้นน้ำเรีกว่าบาลได้ร ก็ <g änger iffe> <saint> ิดรัก็คิดตันอยู่อาจจะจไม่ได้ที่ปฏิตันอยู่ไม่นานอาจจะหายกับบุคคลปรอเพศที่สองพ่อหน้าพ่อเนีโอกาสบานไดตัวเพศที่สามอยวกลางน้ำ เดินได้บ้างหน่อยอบรมและกินได้ตังตังในใจบ่อยๆอาจจะปรฒนูทธรรมได้จนมัวเราที่ส <c oughs> ี่คนที่สี่คือหัวแต่น้างานเสียงอยู่อราจะเชิญหารเต่าอหารปลาไปถ้ามีโอกาสก็จะขึ้นพ้นดินขึ้นพ้านาน้ำได้แต่เสี่ยงมาก ม, มื่อมาคิดจากนี้แนละ้วความลำดับรูปคนสี่หลีล่ยมนี้ก็เติบหญ่ขึคนคิดถึงคนที่บัวคนหน้าปกติตันรูปคนมีมโรคเนี่ยบอกปั๊บรู ป, ปั๊บ ท, ทันทีเหมือนคนเราที่ในการสมองในความคิดไอเดียอะไรมันดีก็ทำมันไว ออกแต่หน้า่อไปแล้วเนินไปเลยใกล้สีมังหะโหดอยประมาณสองกมทางด้านทิศตะวันออกเป็ในง้า้ของสีมงหาโหเคืยว่าสักมุดจริงฝนตกตลอดปบบวันเจ็ดคืนตั้งแี่เริ่มทราบว่าพระพุทธรูปป่าหน้าปก เกิดทนนะแล้วก็ออกจากนกไฟนุ่ น, น อ, อาชาปนลาชาเจตนะาจุฏวัตนตกแสียงใต้สังนอดของสีมหาโพธิ์แผ่นดิชุมฐานของพ่อค้าจากปาราสีไปขาของความเปียน พระองค์ไปประทับอยู่ที่หล้าชาจะต้นไม้ต้นหนึ่งหลาชาจะต้อนอะไรจำไม่ได้จำตางไม่ได้เห็นนะตำราว่าอาจารย์คือเจ้าข้าขอไข่นะในะเรียนดูจะจำลานสำหรับตำรามันสนงใจเรืจจ่องกบฏิข้าอ่านอะไรย่อจใจไหม แต่ไม่จำไม่แม่นก็กระทบอยู่ที่ด้านเจ็ดวันมีพ่อค้าสองคนที่นอกมาพบเห็นพระพุทธเจ้าเคยสัทธาเรื่อมใสเข้าไปหาการกราบไหวถวายเข้าสัตรูข้อนสัตรูผมจนถึงค่าของพ่อข้าสองคนที่นองเรียกว่า ามาแล้วมาได้ชื่ออะไรแสดงตนเป็นพุทธปรยสัจพุทธามาะกะถึงพระพุทธพระธธรรมยังไม่มีพระสงฆแสดงตนเป็นพุทธามาะกะถึงพระพุทธเจ้าพระธธรรม และพาตันดีไปอยู่รอบรอบสีมหาโพธิ์เก็บอาทิตมือนช่วงนี้แล้วจนไปนู่นพาล า, าศสีผู้ใดที่เป็นอุคติตนอยู่คนมองเห็ น, นกันจพุทีสแสดงท่องที่นั่นไบวันเพื่เดินแปล พอสอนล้วได้ผลไรผลอสอนปัญจวจัชคนธัญญาวปะปะปะเัียวหานามอจฉิบรรลุธรรมตามรู้ธรรมที่พระเจ้าทรงสแสดงชื่อว่าสมมาสมพุทธโถแต่กวามเป็นพระเจ้า เพราะสอนคนอื่นให้รู้ตามเทธิ์สมมาสัมพุทธโถสามารถสอนคนอื่นรู้ตามได้เรียกว่าสมมาสัมพุทธโถนับตั้งแต่วันเป็นเดือนแปดวันเก้าเดือนเกิดพลังขึ้นมาหนึ่งพันสองร้อยหาสิบกรุปต้นต้นพุทธกาลให้ผลกระทกอย่างมาก เกิดขึ้นใหม่ๆม่ในยุคความเจริญนาครูทั้งหกเกิดขึ้นใหม่ใจิตจับของการจัดรูปของพระพุทธเจ้าของพระสิทธัตถะจะช่องไปทั่วประเทศเป็นเดียมีคนรบกวนรธิดาออโผวต า, ามบังประตูปจันครูคทั้งหก ขังกันปุกุกกรเจาเนาโควนที่น่ลิโควลิกกบโคสามฮ่าฮ่าามาลิกโคสามสงสัยอะต่นี่คือฐานาตะุ เราที่กัเกดเจตุกันข์ผครูทั้งหมกไม่ตันทร์ดำดให้มันสมัยนันบางก็ปมมาโต้ลูกศิษของครูทั้งหมกเอาครทั้งหมห ม, มาผมแบบย่อต้นต้นมาพูดศาสนาพูดถึงความจริงขอยแพร่ไปถึง วัที่ตั้งต่ำตาว่าะไีกัจจปะขยานกัปปะปลกเรื่องเวลากัจปะวัตถีกัจจปปะขยกัจจปะเป็นเจ้าระทิยับวดตามผู้เจ้าสมุท กทบกระเทือ น, นึงพวกกัลาณชีตัางหลายพอปิดฉากเบียเดเตียนขึ้นาชน่วงกระตุกองให้ม่หวั่นไหวแรงหมายเรื่องหลายหลอดตึงตึงก็เบียนขึ้นมาขึ้นมานี่เป็นความจริงเราได้ติดตามดูเรื่องตำหลอดตำหลอดแม่แม่แมชักเกนมาก มันอยู่ที่ไหนตังลาที่จะจู้ที่กายที่ใจเราเนี่ยที่ผิดที่ถูกตายพวมหลงไม่จริงพวมไม่หลงจริงที่สุดตัดม่ดาวจะให้เป็นตรงนี้จะให้ผิให้ถูกแมด่ดาวมันถูกผิดแต่ทำอยู่ละความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงเนี่ยความโกดไม่มไมรมมจริงควาไม่ปวดมันจริงเนี่ยมันเป็จริงเนี่ยแม่ ตัดไม่ได้เพิ่มไม่ได้เราจะมาเห็นปฏิบัตรทำที่เราทำเพืออะไรนะถ้าจะพูดถึงสองมาสังปโป่ตัม้มดีช่อสองมาทิิตในทางที่ทำให้เกิดการตัดสูเ่เห็นช่อตัมต้มดีช่อดิ้นดีอย่างไรตั้มดีออกสาทุก ออกไปทุกยายน ไ, ไม่ใช่อ่อนก่อนตั้งแต่ออกไปทุกคืนง่ะมันรวมรู้สึกตัวเนี่ยมันก็เลาะควชั่วมานก็ทำความดีนี่เป็นความดัเชอบมีสติมันก็ลาะความชั่วเป็นการดับเชอบสัมา ม, าสมา ส, สัมกบโต สมาธิที่ทำทีไรทเดียวมีสติล้วก็มีสีนิสัสยใจที่รู้เป็นสม า, มาธินี่เวลามันหลงมันิดเปลี่ยนหลงเป็นผิดเป็นเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเปลียปล่ยนผิดเป็นถูกมันก็เป็นปัญญาให้สีนิสัยเป็นสมาธิปัญญาถ้าจะเป็นอมนัส มันก็มีอยู่ในสียงในสมาธิปัญญาลเลยนิวธรรมอยู่เนี่ยมันคบฟองชนงอติผัวลม่ต้องหลังจำลาวม่ต้องแต่เรียงลำดับมันไปเป็นเป็นผัวกันมีสติกอาละคนาชั่วมีสติก็ทำคนดีมีสติจิตเขาบ่อยที่สุดเป็นโอวาอตุโมกจางไม่ทำบาปทำงวัวง าการทำประโยชน์แม่ถึงพ่อการทำจีตของตนใม่ขาวกแม่ที่จุดเลยหลับไม่ใจปิดตุ ก, กเอามากา ก, กับกับการเชื่อฟื้ของเราเป็นผลกระทบยากลุล่ต้องเป็นทำแน่นอนชีวิตของเราถ้าจิจากใจทำไมจะไม่ตึงตถะเพราะเราสัมผัส ก, กับความรู้ผู้กับผามหลง เดยาวันหลงเราจะตามกับคนลูกคนที่สัมผัสคนลูกสิบตัวแล้วจะจะให้หลงจะปล่อยให้คนหลงเป็นป่าเถื่ยเป็นป่าเถื่อยมีผกระทบมากอย่างน้อยก็ต้องเลือกเอาทางที่ถูกไม่จนเป็นผู้ไม่จนสัทธาในตถาคตของผู้ใดไม่ ต้องมั่นอย่างดีไม่หวันหว่นไหวอยลางกี่เาสาธิร้ชก็แบบัูริยสเรียธท า, าถาไม่จนต่ออันตลาดมีทางถ้ามัน โ, โคตรเห็นต้องกข้าไม่ตกมีสิทธิ์ไม่ขกดใจเ้ามาทุกต้องมันข้าระโค้งม่ทุกราะมีสติดมองเห็น เป็นท่าก็ไม่จนต่อความทุกเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกมันเป็นมันเป็นความชอบที่สุดว่าอะไรก็ชอบไปหมดทิกชอบพูดชอบทํางฟาาชอบอะไรก็ชอบไปหมดเลยก็เปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเปลี่ยนกวดเป็นไม่กวดชอบไปจะไปจะเบื่อไปจะเป็นอะไรมันจะต้องอยู่ได้ด่านนั้นเอ สักสิบโลบก้อยรอบสองดหลงข้าง่รู้ข้างหนึง่งทุกข์ข้างรูง้ข้าง น, งางนงึมันจะเหลืออะไไหมไอ้ธรรมเรูนี้อลอูว่ากรรมฐานภ า, าวนาที่นี่ก็จะมีสี่สิบวันนะมันก็มาทำารืา่งรองนี้ลองดูชีวิตเราจะมีกลายวันหลายเดือนหลายปีคจะ ให้โอกาสแต่ชีวิตของเราศึกษาและงงดูเพวกเราจะเป็นเพื่อนเป็นมิตรท่าทายกันเถอะมันนานเหลือเกินพวกเรานะ้อถือพุทธาศาสนาทำบุญสร้างวัดสร้างว า, งว ม, ามากแล้วอะไรที่มันเกิดผลกระทบต่อเราในทางกันทําที่พระเจ้าทรงสั่งมันเป็นมนักเป็นผล่ใ น, นอะไรสําเกจที่ยกหัวไหวเองได้ ลองูสิผู้ใดจะเริ่สติปัฏฐานหนึ่งวันก็เก็บต่อนจะมีอะไรสองสองอย่างเป็นพระนาคามีเป็นพุทานยามกล้เดือนที่เตือนจะมีอะไรสองสองอย่างเป็นพระนาคามีเป็นพรทธานผู้ใดจะเริ่สติปัฏานยามยามที่สุดเจ็ปีจะเป็นอสองสองอย่างเป็นพระนาคามีเป็นพุทาน มีใครก้าที่มีสูตรตอนนี้ฮอมีใครบ้างที่มีสูตรตอนนี้หรือมีเตะคำหรือเพียงเตะจำเราลอวเราเนสูเราหล่ามาเลยฮะไอ้ที่เราก็มเราานไปผ่านไปเราคิดอย่างนี้หรือเล่าใชเราหรอเป เป็นเพระาะว่าสางสิบปีแล้วมันไม่ยอมดูใจอะไรก็ตามมามาันก็เปียกเทียบมีคู่เปียกเทียบมีลูกคิดถึงลูกเกาะหมอคิดถึงลูกเปียกเทียบกับสติคู่ชกกัเอาเลยคิดไปทีนั้นลูกที่นั้นคิดถึงเหมียคิดไปทีลูกที่นั้นมันจะเหลือไหมมันต้องคิดแน่นอนเคย ไปใช้เครื่องใหญ่มาก็ไปทช้านเฮ้ยไปก้อนชิเจี๋ชิค่างกับชิจียชิค่าเอาลงดูทีมันอยากนอนกูจะไม่นอนมันอยากไปเล่นกูจะมาใส่กูจะนั่งอยู่เนี่ยงานนั้นช่วยแขชงเข้มแข็งในหังหมอนเลยนะมันฝึกได้จะจีบชีวิตของเราเนี่ยกระสือตรงนี้หลัะเอียนหลงจะไม่หลงเนี่ยหรือว่ามันนุ่มสันถ้าหลงเป็นหลงเป็นคนแสด ไม่ต่อหน้าคนหนึ่งไปนลูกเท่ากับขนโผส่วนมนุษย์ไปนลูกเท่ากับเขาโผล่ก็ว่านี่เี่ยวพราะเรืเปลี่ยนไปซื้อก็ไม่เปลี่ยนมันจะก้าไปที่ไหนเก้าแรกคือเปลี่ยนหลงเป็นลูกเป็นข้าวแรกพยายามชักหน่อยตรงนี้นะหลงอยู่ที่ไหนเปลี่ยนเป็นลูกที่หนไม่ยุ่งยาไม่ยุ่งยา นี่คือหลักปฏิบัติธรรท่าทายต่อชีวิตของเราอยาไปโทษนอกโทษนี่ชีวิตเราไม่ถหงนวนาไม่จูเนียภาพหลงหรืออยู่ในสภาพรู้ําเลนคิดมาอย่างไรเปิดเพื่ออะไรอะไรมันพบคุใหญ่ความคิดเคยจินต่ากามันไหลไปตามไหนมาต้องออกมาได้หรอเป็นภาพที่มันฉช้ออกมาเป็นตา บางทมีความดีบางคนกเป็นตาบางทีมีความชั่วเป็นตาชั่วดีเป็นตาตาที่มันถ่ายเอาไว้มันติดเอาไว้ทุกทีหนึ่งก็ติกติ่เราเป็นเลนชีวิตของเราเราใช้ชีวิตชีวิตพาดมากมากปล่อยจิตปล่อยใจให้คุคิดอะไรมากมาคิดตะพื้นตะเือคิดชั่วชั่วจตา ความคิดไงนมีอะรที่เหนกับสติ้เห็นความคิดไม่เคยเห็นควาคิดตัวเองปล่อยยคิดไุดไม่เป็นเลงท่างไม่มีตัวไม่ตนบางคืนเป็นความกงวันเตยกลานมัขวกลางวมั่วคิดทุพอมเห็นความคิดทุ่ง เออ mm hmm. มาเราเคมีใครสอนลเลมเราต้องเียเงนถึง hmm. ูสอนราพ่อแม่ก็มาได้ยนสอมนมารู้สึกว่ามันโผผู้ชีวิตขึ้กล้าัะโกนแรงใจให้ทึกตั้งแต่นี่สิบปีาการความสุขความทุกข์ที่เกิดจากความคิดจะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นมันลึกซึ่ง อันก็ความทุกข์ที่เกิดจากความคิดจะไม่มียุดควเฉื่อยมีบ้างไหมแต่ความคิดเฉยก็น่าตาหลายคิดขึ้นมาีิดมยแล้วคิดขึ้นมาน้ยกีแค่นั้นเองหรือชีวิตเราบกบมเลนอยเอาชีวิตแปวให้เติมด้กระป๋ลบางทีแก้วให้เจากความรักความช อาชางก็เป็นทุกขตเรักก็เป็นสุขไอสิอื่นเป็นกําหนดให้เป็นสุขก็สิ่งอื่นเปกําหนดให้เป็นทุกข์ชีวิตมันอะไรไม่เป็นที่พึ่งของตนโดนแม่เล่เป็นที่พึ่งตัวเล่พึ่งไม่ได้หิชายก็พึ่งใจไม่ได้ต้องร่ายต้องดีโผผูแปรแปรมั่นใจตัวเองไม่รู้ว่จะเป็นอย่างไรล้วก็เกิดตายเกกระตึ้นกันได้เกิดตาย เราได้ก็ไม่ใช่แวบาเราอยู่คนเดียวมีโลกโนี้นมีบ่างเดาฉัะมีมีพี่เมน้องมีเพื่อน่วม ง, งานมีวัตถุปัจจัยอะไรก็อย่า ง, างบนโลกนี้ถ้าเราไม่มีหลักการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องมันจะถูกขักลุ่มหมอกวงน้ำแวนโซเป็นทุกข์ตายถ้าเรามรรลุเราไม่หลีกนะหลีเกเลย แฟนดิ่ลาอไปเลยนะตัวปฏิวัติธรรมสามีอลาอไปเลยเห็นหมดก็ล่อจึกษาเร า, า, น, านี่เราสุขทุกข์สันต์นินทาราก็ให้เราอยู่ในใต้อำนาของโลกนี้แฟนนิทราก็ทุกข์ทัศน์สันต์นสุข ถ้าได้กสุกท้าเสียกาทุกเป็นโลกกระสอบที่มันครอบอบผู้คนปันกยู่มาอยู่หน่อยลูกปฏิบัติธรรมมันน่าต้องไปเลยมันน่าจริงๆมาซีวิแเนี่แล้ววิธีปฏิบัติงา น, านาเห็นพระเจ้าบอกให้เกิดทุกข์แท้ๆทำไมเป็นอยู่กพระเจ้า เ็นทุกเห็นเหตุเกิดทุกทงเหตุตั้งแล้วท่าไแล้วถ้าพูดถาสอปฏิบัติง่ายไม่ต้องกระทอเห็นทุกมเป็นทุกข้อจากทุกเนี่ยเห็นมันหลงมันเป็นผู้หลงข้อจับของหลน เห็นมันปวดไม่เป็นผู้ปวดพ้นจากควโอมปวดหลักปฏิบัตินละ้วเห็นมันเจ็บไม่เป็นคู่เจ็บพ้นจากความเจ็บเห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายพ้นจากความตายเขงไปโน่นทำมาเดียวตนเองทมอย่าเดียวตนเองไม่มีอันอื่นเป็นูตรเดียวไม่เหมือนกับโลกของรโลกาย เชื่อลูกตรงนีหลายอย่างจะประกอบตามอาศายของโลกแต่โลกที่ของเปิดจับจิติตยามอันเดียวยเห็นไม่เป็นต้นจับเป็นคือสังขาญเป็นโลกชุยสังขาญหายจากโลกหนึ่งปุ่งสองหยุดปรุงหยุดแค่ไหนเชื่อว่าอาวิชาปุ่งไปจนเกิดแ ก, ก่เจวิชาหยุด รถวิ่งจ uh, ุดนีมันจุดตายชีวของเราอาที่ขาผมไปลอยไปที่ไหนที่ไหนลอโคตรอชาที่อสศงไก่กวนทุกกี่อางไข่แล้วกวนกูที่อางไก่กวนหลงกี่อางไข่กวมลของกวนจาี่อาศงไก่ทั้มีชีวิตชีนิริศทีว่าแรกเล่นไปจุ หยุดสึ่งมันจบลงเลฮะมีสติเนี่ยีิตของเราต้องขดดั บ, ง บ, บ, ง บ, บได้มันต้องลุกขึ้นมันวิ่งมันหุดได้ชีวิตของเราหยุดได้งเงินได้หวังได้เ่จะมีชีวิตถ้าหยุดไม่มีได้ไม่ได้มันไม่มีชีวิตชีวิตมันไม่เป็นอะไรที่มันเป็นอะไรมาใช้ชีวิตชีวิตมันไม่เป็นอะไร นี่แต่เห็นไม่เป็นเนี่ยมันคือชีวิตอะไรโตยอดจากความเป็นเนี่ะมันด้ยอดใหม่มันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลกงแต่ยอดใหม่ชีวิตต่อยอดใหม่มันสุขแต่มันสุขไม่เป็นผู้สุขแต่ยอดใหม่ใช่ปะอันสุขกันทุกข์เหมือนยอดเก่าๆพันเข่าคัดพันใหม่ต่อยอดให ความสุขควาทุกขมันเกิดจากลูกจากนาองลูปดำมันเกิดแก่เก็บตายมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกขกับรูปเนี่ยเกิดขึ้นแล้ว่อไปมีแล้วหายไปรูกดำเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแก่เกิดตายไาเอาเสรมันมาได้ถ้าอยากจะอาศัยรูปหาความสุขจากลูปจะมามันไม่ใช่ใช่มันมันเป็นประโยชน์ต่อยอดออกจากมันมันมีให้เราได้ใช่มัน ให้สำเร็จประโยชน์ต่อคนมันรอนขอบคมอนบคมันเหนามันปวดมันเมื่อหนึ่เจ็บมันเจ็บมันตายจะได้ใช้มันจะได้เห็นมันซะในความมาเที่ยงก็มีในรูปนี้ในควมมาเที่ยงก็เป็นควาไม่เที่ยงต่างมาเที่ยงได้อย่างไรในความไปทุกข์ต่างกัเป็นทุกข์ต่าเป็นสุขได้อย่างไรมันเป็นของงานในรูปในนามนี้มันใช่ตัวตน มันไม่เที่ยงโรกทรรมนามธรทั้งหมดทั้งชิ้นมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเห็นมันเราก็เลยใช่มันจากคนไม่เที่ยงเป็นนิพพานเลยจากคนเปทุกเป็นนิพพานไปเลยเห็นแจ้งแต่ก่อนคนไม่เที่ยงก็เป็นทุกแบบนี้คน Concept, ไม่เที่ยงมันเป็นทุก แต่ไม่ถกคมันสมาอิมันม่เขียนแต่ก่อรปภไม่ถูกไม่ถูกแต่ถูกคำมั่มมอิมได่ถถ้ามันจะไม่เป็นนิพพานมันคนละมุมกันคนละฝั่งกันเข้นไม่เป็นกระโดดข้ามฝั่งไปหมดถึงปอบพนิกรบุคคลผู้ถึงฝั่งพนิพพานี้เนนะไม่แต่เรียงลนท้องฝั่งเอ ยึดแต่กูทำมันตัดขาาธรมเนมามวัฏฏะจงขึ้นมาจากจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่ไม่น้ำไปสุขไปทุกข์น้ามุดลงไวโผล่เป็นมาเป็นสุกแก็มุดลาไปเป็นทุกข์โผล่ขึ้นมาหน้ลวโอชาต้งน้ำพระเจ้ากินโวยฝาบเลี้ยงขึ้นมาขึ้นมาจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่ม่ีน้ำ มานั่งวนปอบมันก็ไปปลเพื่อนไปเกลียดต่างกันว่าอยู่หน้าไม่เป็นอะไรชีวิตคนจะอยู่ตรงนี้จนจะพุ้มค่าน้่าตโง่ชิบชื้นค่าเกิดบ้าผู้ใดมาเห็นอย่างนี้ทําได้อย่างนี้มีชีวิตอยู่วันเดียวไปเจอกลัวคนที่มีชีวิตร้อยปีเป็นอย่างนี้ได้แต่ภูผู้แพ่แพร่ร้อยคนดีไม่มีประเสบอะไรเลย ยึดต ong เป็นกรรมไม่ได้ตัด ก, กรรมทุกกรรมมาเป็นทุกโอดกรรมมาเป็นโกดยังไม่ตัดกรรมจะตี้าเห็นมันทุกไม่ไปโทุกตักกรรมตัวเน่ยเห็นมันโอดไม่ไปทุกโอดตัดเลยตัด ก, กรรมชิ้นกรรมได้เลิกตรอกรนันได้เหมือโลกเหมือนการเกิดเจ็บเจต่อปฏิวัติธรรมนี่การตัดลูกของพระเจ้ามิได้บุญอยู่ สัมผัสทายุไม่ล่าสมัยเป็นไม่มีอาตาลิกะทับเป็นอยู่อย่างนี้ไปจะรู้จะไม่รู้แต่ว่าธรรมะมีอยู่นี่ที่อื่นไม่มีในชีวิตตัรงนี้หาที่ไม่พบเพื่อคล้ายปรนดีปฏิบัติธรรมออกไปตอนนีวันทีนี้หลายปีมาแล้วที่นี่นะขอเฉลิมฉลองในภาวนาจันทร์ ไ้ชืวอทุกคนทุกโทุกเราะทุกเกาะทุกคนก็สมทุกลูกฮะแล้วอด้วยแล้วพอคงว่าจะขอเกี่ยวเรานี่ยฮ่า <te> bueno ่าฮ่าอ่ารยเสนองดเดินมาอ่าอัยเพื่อนอ่าสาศัยเราทุกเกาทุกคนทุกคืน อากชนทุกคนมาช่วยกันเถิดกันเดเพื่อกันมีความรู้สึกตัวให้มีความรู้ว่าคเรากปัวจำคนเดาคนต่างมีสติเป็นคนคนเดียวกันตนนั้นเร่องน้อยปวชีวิตต่ถ้ามีสติเป็นคนคนเดียวกันเลยแต่ถ้าเราหลงเป็นคนเราคนกันไปทาให้เราเป็นคนคนเดียวกันอัศจรรย์ธรรมะเป็นอัศจรรย์ ทำไมคนหลายคนติดคนติดจกมีสัิติไงต่างคนก็ต่างรูปตัวตางคนก็ตามเล้าความชั่วต่างคนก็ต่างทางควาีตางเขก็ทาผิปนิสุทธิ์เสมอก็เกิดความสงบเรื่องเย็นจุ่ยเย็นเป็นสุขแม้สัตยภาพอิทธภาพรากเทียบเป็นมากกว่านิพานในชีวิตเหล่านี้ไอ้เด็ประจบก็เห็นอยู่แต่ทุกคนในชาตปัจจุบันนี้เองว่างก็มีอะไรแบนี้ t h uh. a you.